แนะนำบทอัตตอบุญบทอัตตอบุญเป็นบทมาดานิยะมีสิบปดองค์การบทนี้ได้กล่าวถึงการถวายพรแด่อัลลอฮ์ผู้ทรงเกียรติความยิ่งใหญ่ของผงและร่องรอยแห่งเดชานุภาพของรผงได้ได้กล่าวถึงเรื่องมนุษย์ที่ศรัทธาต่อพระเจ้าของเขาและมนุษย์ที่ปฏิเสธศรัทธาและไม่ยอมรับในบุญคุณต่างๆของอัลลอฮ์บทนี้ได้ยกอุทาห์อน ถึงเหตุการณ์ในศตวรรษก่อนๆที่ประชาชาติต่างๆในอดีตซึ่งปฏิเสธบรรด า, าศาสนาทูตของอัลลอฮ์และได้รับจากการลงโทษและความหายนะอันเนื่องมาจากการปฏิเสธศรัทธาก็ตาบและได้ใช้จงรักภักดีต่ออัลลอฮ์และาศาสนาทูตของกรมได้เตือนถึงภัยที่จะเกิดขึ้นจากการผิดหลังให้กับการเรียกร้องเชิญชวนของอัลลอฮ์และได้กล่าวเตือนถึงการเป็นศัตรูของภริยาบางคนและลูกๆบางคน เพราะพวกเขาเหล่านั้นบางครั้งได้ห้ามเขาไม่ให้ต่อสู้ดิ้นรนและอพยพไปในทางของอลลอบทนี้ได้จบลงด้วยการใช้ให้บริจาคในทางของอลอเพื่อเชิดชูศาสนาของปรุงให้สูงส่งและเตือนให้ระลึกถึงการตารณีและการหวงแหนเพราะส่วนหนึ่งจากคุณลักษณะของผู้ศรัทธาก็คือการบริจาคในทางของอลอโดยมุ่งหวังความปโปรดปานของป ร, รงุง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ในหุนทางของอัลลอฮ์ด้วยด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอยบบมมมอด สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินต่างแซ่ซ้องสะดุดีแดะอัลลอฮ์อำนาจเด็ดขาดเป็นของพระองค์การสรรเสริญเป็นของพระองค์และพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ ง, งพระองค์คือผู้ทรงสร้างพวกเจ้าดังนั้นในหมู่พวกเจ้าจึงมีผู้ปฏิเสธศรัทธา และในหมู่พวกเจ้ามีผู้ศรัทธาและลสอสงเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำความจริงพระงองค์ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและพันดินและทรงทำให้พวกเจ้าเป็นรูปร่างและทรงทำให้มีรูปร่างสวยงามยิ่งและยังพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้าจะกลับไป พระองค์ทรงรู้สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและทรงรู้สิ่งที่พวกเจ้าปกปิดและสิ่งที่พวกเจ้าเปิดเผยแล้วล้อทรงรู้ถึงสิ่งที่อยู่ในสวงอก อุบข่าวคราวของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในอดีตไม่ได้มาอย่างพวกเจ้าดอกหรือพวกเจ้าได้ลิ้มรสการลงโทษแห่งกิจกรรมของพวกเขาในโลกนี้และการลงโทษอันเจ็บปวดจะได้แก่พวกเขาในวันเปราะโลก ذلك بأنّه كانت تأتيهم ر س ل ه ف ف ل م بالبينات ف قالوا ف قالوا أبشر يهدوننا فك فرو وتولوا واستغنا الله والله غني حميد นั่นเป็นเพราะว่าบรรดาศาสนาทูตของพวกเขาได้มาอย่างพวกเขาพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งแต่พวกเขาได้กล่าวว่า สามัญชนเช่นนี้กระนั้นหรือที่ชี้แนะทางให้แก่เราพวกเขาได้ปฏิเสธศรัทธาและผินหลังให้แต่ล้อทรงพอเพียงจากการศรัทธาของพวกเขาเพราะลอเป็นผู้ทรงบัางมีทรงได้รับการสันเสริม บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวอ้างว่าพวกเขาจะไม่ถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าหาเป็นเช่นนั้นไม่ขอสาบานต่อพระผู้อภิบาลของฉันพวกเจ้าจะถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกอย่างแน่นอนแล้วพวกเจ้าจะได้รับแจ้งตามที่พวกเจ้าได้ประกอบกรรมเอาไว้นั่นแหละเป็นการง่ายสาหรับอลัลลอ ดังนั้นจงศรัทธาต่อลอและรอสูลของโปรงและแสงสว่างคืออัลกุรอานซึ่งเราได้ประทานลงมาและลอนั้นสรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้ากระทำ ي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 ในวันที่พระองค์จะทรงรวบรวมพวกเจ้าเพื่อวันแห่งการชุมนุมนั่นคือวันแห่งชัยชนะสําหรับผู้ศรัทธาและวันขาดทุนสําหรับผู้ปฏิเสธศรัทธาส่วนผู้ที่ได้ศรัทธาต่อลรอดและกระทำความดีพระองค์จะทรงลบล้างความชั่วทั้งหลายออกไปจากเขาและจะทรงให้เขาเข้าสวนสวรรค์อันหลากหลายเบื้องล่างนั้นมีแม่น้ําหลายสายไหลผ่านพวกเขาจะเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล และนั่นคือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ب ب ي ي ส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและไม่เชื่อสัญญาณต่างๆของเราชนเหล่านั้นคือชาวนรกพวกเขาจะเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล และมันเป็นทางกลับที่ชั่วชายิง่งว่าไม่มีทุกภัยอันใดเกิดขึ้นเว้นแต่ด้วยอนุมัติของอลลอและผู้ใดศัทธาต่ออลอพรงจะทรงเปิดหัวใจของเขาสู่แนวทางที่ถูกต้อง แล้วลอนั้นเป็นผู้ทรงรู้ทุกสิ่งและจงพักดีต่อลอและพักดีต่อรอซูลหากพวกเจ้าผินหลังให้ไม่เชื่อฟังหน้าที่ของรอซูลของเราคือการเผยแผ่อันชัดแจ้งเท่านั้นอออล َعَلَ اللَّهِ فَلْ الْمُؤْمِنُونَ يَتَوَكَّرِ อัลลอฮ์นั้นไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เท่านั้นดังนั้นบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงมอบหมายต่ออัลลอะ์เถิดยา أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوٌ وا لكم ف َ ح ذ ر و ه م โอ้ผู้สัทาทั้งหลายแท้จริงในหมู่คู่ครองของพวกเจ้าและลูกหลานของพวกเจ้านั้นมีบางคนเป็นศัตรู ก, กับพวกเจ้าฉะนั้นจงระวังต่อพวกเขาแต่ถ้าพวกเจ้าอาภัยและยกโทษให้แก่พวกเขาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอาภายัยผู้ทรงเมตตาเสมอ แท้จริงทรัพสมบัติของพวกเจ้าและลูกหลานของพวกเจ้านั้นเป็นเครื่องทดสอบอลัลลอฮฺนั้นนะที่พระองค์มีรางวัลอันยิง่งใหญ่ ดังนั้นจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดเท่าที่พวกเจ้ามีความสามารถและจงเชื่อฟังและปฏิบัติตามและบริจาคเถิดเพราะเป็นการดียิ่งสำหรับพวกเจ้า และผู้ใดถูกปกป้องให้พ้นจากความตรรนีแห่งจิตใจของเขาชนเหล่านั้นคือผู้ประสบความสำเร็จหากพวกเจ้าให้อลัยยืมอย่างดีแล้วพระองค์ก็จะทรงเพิ่มมันให้แก่พวกเจ้าและจะทรงเอาภัยให้แก่พวกเจ้าและอลัยนั้นเป็นผู้ทรงตอบแทน แก่ผู้กระทำความดีทรงผ่อนผันการลงโทษผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับและสิ่งที่เปิดเผยผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ